จึงมีคำปุจช่าว่าข้อซึ่งว่าพระนิพพานเที่ยงนั้นเที่ยงเหมือนด้วยสิ่งอันใดจะว่าเที่ยงเหมือนทุลีอันละเอียดเป็นอนูเปลีวอยู่ในอากาศเป็นต้นกระนั้นหรือหรือว่าเที่ยงเหมือนด้วยปกติแห่งโลกหรือว่าเที่ยงเหมือนด้วยการอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหรือว่าเที่ยงเหมือนด้วยเพศ ช, ชายและเพศหญิงเป็นอาทิเป็นประการใด แท้จริงทุลีอันละเอียดซึ่งเปลวอยู่ในอากาศเห็นปรากฏในแสงพระอาทิตย์อันส่องเข้ามาตามช่องฝาเป็นอาทิที่มีนามบัญญัติชื่อว่าอานูนั้นเราเห็นว่าเที่ยงเพราะเหตุว่าเปลวอยู่เป็นนิเมีเดีรู้กลับรู้กลายและปกติแห่งโลกคือแผ่นปัตตพีและมหาสมุทรเขาพระสุเมนราชสัตตพันทัิรีและขอบจักรวาลเป็นอาทินั้น เราก็เห็นว่าเที่ยงเพราะเหตุว่ามีกำหนดใหญ่น้อยอยู่เพียงใดก็เป็นปกติอยู่เพียงนั้นตามประเพณีโลกสันฐานจะได้แปรได้ผันและกลับกลายนั้นก็หาบอมิได้และการอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันที่กำหนดเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีตามประเพณีโลกวิสัยนั้นเล่าเราก็เห็นว่าเที่ยงเพราะว่ามีสำหรับโลกแต่ดั้งเดิมมา จะได้วิปริตผิดผันกลับกลายนั้นหามิได้ย่งยืนอยู่โดยธรรมดาประการหนึ่งเพศชายและเพศหญิงเป็นอาทินั้นเล่าเราก็เห็นว่าเที่ยงเพราะว่าบุรุษและสตรีนี้มีมาแต่ดั้งแต่เดิมจะได้รู้สิ้นรู้สุดไปนั้นหามิได้มีอยู่เป็นอันเที่ยงตามประเพณีโลกวิสัย ก็และอนุปร r a m a เป็นอาธิซึ่งเห็นว่าเที่ยงโดยในดังกล่าวมาชชนี้ถ้าจะเอามาเปรียบกับพระนิพพานจะเห็นว่าเที่ยงเหมือนกับพระนิพพานนี้จะเป็นประการใดวิสัชนาว่านายุตตังขอซึ่งท่านว่าอนุปร r a m a เป็นอาธิเที่ยงเหมือนพระนิพพานนั้น มิได้สมควรเหตุใดเหตุสภาวะแห่งพระนิพพานนั้นมิได้มีแห่งอุปติสาาระเหตุอธิบายว่ากุศลากุสลังกรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สำเร็จอุปติกิจให้บังเกิดพระนิพพานนั้นมิได้มีเลยเป็นอันขาดอย่าพึงเข้าใจว่า กุศลากุศลกรรมนี่แหละตกแต่งให้บังเกิดพระนิพพานอย่าพึ่งเข้าใจดังนั้นกุศลนี้เป็นแต่ผู้ชักผู้นำเป็นแต่ผู้ช่วยอุปธรรมค้ำชูไปให้ถึงพระนิพพานเป็นผู้ทรงให้ถึงพระนิพพานต่างหากจะได้เป็นปัจจัยตกแต่งให้บังเกิดพระนิพพานหามิได้อันพระนิพพานนี้เป็นธรรมอันไม่ได้รู้เกิด มิได้รู้มีธรรมอันใดอันหนึ่งจะเป็นอุปติมิได้ก็ฝ่ายอนุปรมาณูและโอกาสโลกและการปีเหตุให้บังเกิดหาเดือนวันคืนและเพศชายเพศหญิงนั้นย่อมมีอุปติสาธารณเหตุอยู่ธรรมชาติอันเป็นปัจจัยให้สำเร็จอุปติกิจให้บังเกิดอนุปรมาณูเป็นอาทินั้นมีอยู่ชนิด ข้อซึ่งท่านจะเอาอนุปรามณนูเป็นอาธิซึ่งมีอุปปฏิสาธรณะเหตุนั้นมาเปรียบเทียบกับพระนิพพานอันหาเหตุไม่ได้ว่าเที่ยงเหมือนกันชนี้มิได้สมควรยิ่งนักดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์เจวะเทยยาสิผิดว่าท่านจะมีคำเสียดเข้ามาอีกเล่า ว, ว่านิพพานะสะนิจจตาเตมิชา อนุปรร a m a เป็นต้นนั้นเราเห็นว่ามีอยู่เป็นนิสําหรับโลกไม่ได้รู้ขาดฝ่ายข้างพระนิพพานนั้นก็ได้ชื่อว่ามีอยู่เป็นนิดไม่ได้รู้ขาดซึ่งจะมีอยู่แต่เฉพาะเทศกาลเหมือนอย่างพืชสคามภูตคารอันเฉพาะเผลดออกผลหรือดอกตามฤดูนั้นหาม่ได้ถ้าบุคคลผู้ใดประกอบด้วยอุบายประพฤติซึ่งสัมมาปฏิบัต ตามพุทธโอวาทมีศีลขันสมาธิขันปัญญาขันแก่กล้าแล้วการใดบุคคลผู้นั้นก็จะได้พบได้เห็นจะได้ถึงพระนิพพานโดยปัญจักะสิทธิยานแจ้งประจักษ์แก่อตมาภาพในการนั้นซึ่งจะได้พระนิพพานมีกำหนดเทศกาลเหมือนด้วยพฤกษชาติทุมาชาติพืชขามภูตคามทั้งปวงนั้นหามิได้ และพระนิพพานซึ่งมีอยู่เป็นนิดเห็นปานชนี้ท่านเห็นว่าเที่ยงแล้วอนุปรมนูเป็นต้นซึ่งมีอยู่มิรู้ขาดนั้นเราก็เห็นว่าเที่ยงเหมือนพระนิพพานนั้นดูก่อนอาจารย์ผู้โจ์ถ้าท่านจะมีคำเสียดเข้ามาชนี้นายุตตังก็ยังมิได้สงควรก่อนเหตุใดเหตุว่ามิได้บังเกิดมีเหตุแห่งลักษณะ คือหากำหนดกฎหมายแห่งเหตุนั้นไม่ได้อันธรรมดาว่าจะแสดงซึ่งผลนั้นพึงให้มีลักษณะที่กำหนดกฎหมายแห่งมูลเหตุเป็นที่สำคัญก่อนถ้ากำหนดลงได้ว่ามีมูลเหตุ ด, ดังนี้ดังนี้อนุปรมณนูเป็นอาธิซึ่งมีอยู่เป็นนิดจึงได้ชื่อว่าเทียงเพราะมูลเหตุ ด, ดังนั้นดังนั้น ถ้ากำหนดลงได้ชนนี้แล้วจึงสมควรที่จะเชื่อฟังเอาได้อันไม่กำหนดลงได้ซึ่งมูลเหตุจะว่าแต่ปลายเหตุว่าอนุปรมนณูเป็นต้นมีอยู่เป็นนิตแล้วก็ได้ชื่อว่าเที่ยงจะว่าเอาแต่ปลายเหตุชนนี้มีควรจะเชื่อฟังเอาได้และขอซึ่งว่าพระนิพพานธรรมมีอยู่เป็นนิตเป็นธรรมอันเที่ยงนั้น มีลักษณะที่กำหนดกฎหมายแห่งมูลเหตุเป็นสําคัญมีอยู่ข้อซึ่งว่าพระนิพพานหาเหตุมิได้นั้นว่าด้วยไม่มีอุปติเหตุต่างหากอุปติเหตุที่จะให้บังเกิดพระนิพพานนั้นมิได้มีมูลเหตุที่แสดงผลให้เห็นว่าพระนิพพานเที่ยงนั้นมีอยู่เป็นแท้และข้อซึ่งว่าพระนิพพานเที่ยงนั้นโดยกิจ ที่ไม่ได้รู้เกิดไม่ได้รู้ตายจะได้เที่ยงโดยธรรมดาหาไม่ได้เหตุใดเหตุว่ามีคำพระดีกาจารวิสัชนาว่าลักษณะซึ่งจะกำหนดกฎหมายซึ่งเหตุให้เห็นว่าพระนิพพานเที่ยงนั้นจะได้กำหนดโดยเหตุอันเป็นอปัจจะลกขณะธรรมดาเป็นอาทินั้นมิได้อธิบายว่า เหตุอันใดมีอยู่โดยธรรมดาสัตว์มีอยู่โดยธรรมดาโลกมีอยู่ทั้งสองเหมือนกันจะได้เฉพาะมีแต่ชายและมีแต่หญิงหามิได้เหตุอันนั้นแหละได้ชื่อว่าอปันจักระทละขณะธรรมดาเหมือนอย่างธุลีที่เป็นอนูปรม a ูเปลิวอยู่ในอากาศแผ่นปฐพีที่ตั้งไม่มีกําหนดใหญ่เท่ากันกับอย่างก่อน น้ำในมหาสมุทรมีรสอันเค็มมนุษย์มีตัวยาวไปโดยสูงสัตว์เดรัจฉานมีตัวยาวไปโดยขวางเป็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าอปัจจคะธรรมดาเหตุและเหตุที่แสดงผลให้เห็นว่าพระนิพพานเที่ยงนั้นจะเป็นอปัจจคะธรรมดาเหตุอย่างนี้หาไม่ได้พระนิพพานเป็นธรรมอันเที่ยงนั้น ด้วยกิจที่ไม่ได้รู้เกิดรู้ตายมิได้แก่ไม่ได้รู้ชราและอนูเป็นอาทินั้นมีกิจอันไม่ได้รู้เกิดรู้ตายมิได้แก่ไม่ได้รู้ชราเหมือนพระนิพพานหรือท่านจึงเอาอนูเป็นต้นนั้นมาเปรียบกับพระนิพพานว่าเที่ยงเหมือนพระนิพพานอันจะแสดงผลว่าอนูเป็นต้นเที่ยงนั้นให้แสดงมูลเหตุออกมาให้แจ้งก่อน จะว่าเอาแต่ปลายเหตุว่าอ น, นุมีอยู่เป็นนิดได้ชื่อว่าเที่ยงจะว่าชะนี้ไม่สมควรดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์ถ้าท่านจะมีคำเสียษเข้ามาอีกเล่าว่าข้อที่เราเห็นอธิบายแห่งเราว่าอ น, นุปรมณนูเป็นอาธิเที่ยงเหมือนกับพระนิพพานเหตุว่าอ น, นุปรมณนูเป็นอาธินั้น มิได้มีอุปาทคณะและทิต ah. ah, ah. ิขณะพังคขณะเหมือนด้วยพระนิพพานพระนิพพานหาอุปาทคณะและทิติขณะพังคะขณะมิได้ฉันใดอนูเป็นอาทินั้นก็หาอุปาทคณะทิติขณะพังคะขณะมิได้เหมือนกันดังนั้นอาศัยเราเห็นเหตุชนี้แหะเราจึงแสดงผลว่าอนูเป็นอาทินั้นเที่ยงเหมือนกันกับพระนิพพาน ดูก่ อ, อาจารย์ผู้โจทย์ถ้าท่านจะมีคำขึ้นมาชนี้คำของท่านก็ยังมิได้สมควรก่อนอนูอาทีนังอสิทัตตาเพราะว่าอนูเป็นอาทิธนั้นมิได้สำเร็จซึ่งภาวะเที่ยงตามถ้อยคำที่ท่านปฏิญาณดูก่อนอาจารย์ข้อซึ่งท่านปฏิญาณว่าอนูเป็นอาทิธเที่ยงนั้นจะได้สำเร็จเป็นธรรมปฏิญาณก็หาไม่ได้ เมื่อไม่สำเร็จเป็นธรรมปฏิยานแล้วก็มีอาจจะให้สาเร็จผลคือสภาวะเที่ยงนั้นได้ประการหนึ่งอุปาทคณะลัทิติคณะพังคะคณะนั้นเล่าสมเด็จพระองค์เจ้าก็ตรัสเทศนาเฉพาะมีแต่จิตและเจตสิกสิ่งอื่นๆ น, นอกไปจากจิตและเจตสิกแล้วจะได้มีอุปาทคณะ และทิติขณะพังคะขณะหาไม่ได้ข้อซึ่งท่านจะถือเอาอธิบายว่าอนูเป็นอาธิเที่ยงเหมือนกับพระนิพพานเพราะเหตุที่หาอุปาทาขณะไม่ได้เหมือนกันนั้นหาเห็นวิเศษสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ประการหนึ่งอนูเป็นอาทินั้นย่อมฉิบหายด้วยเพลิงปลาไหลกันลมปลาไหลกันน้ําปลาไหลโลก ถึงซึ่งภาวะเป็นอนิจจาลักษณะจะมั่นคงยั่งยืนอยู่เป็นอันเที่ยงแท้นั้นหามิได้ก็ฝ่ายว่าพระนิพพานนั้นยอมไม่ได้รู้ชิบหายด้วยเพลิงประไยกันน้ำประไยกันลมประไยกันมีลักษณะอันระงับมีกิจอันมิได้เกิดมิได้รู้ตายมิได้รู้แก่เอตชะนี้ ข้อซึ่งท่านจะเอาอนูเป็นอาทิที่เป็นธรรมชาติรู้ชิบหายปละไลมาเปรียบเทียบกับพระนิพพานเป็นธรรมอันประเสริฐมีได้รู้ชิบหายประไล่มีได้สมควรยิ่งนักดูก่อนอาจารย์ธรรมชาติทั้งหลายมีอนูเป็นต้นเป็นประธานที่ท่านกล่าวมาแต่เดิมนั้นจะได้เป็นธรรมชาติอันเที่ยงแท้นั้นก็หาไม่ได้พระนิพพานนี่ละ เป็นธรรมอันเที่ยงแท้หาที่แคลงมิได้ยถาวุตยุติสภาวโตปนอิทะเมวานิจังข้อซึ่งว่าพระนิพพานเที่ยงนี้ยุติโดยสภาวะควรโดยสภาวะสมควรกับคำที่กล่าวมาแต่ก่อนมีอปปภาวะตาเป็นอาธิซึ่งพรนานาคุณแห่งพระนิพพานว่า พระนิพพานเดิมหาเกิดมิได้พระนิพพานมิได้รู้แก่มิได้รู้ไข้ไมิได้รู้ตายคําทั้งปวงนี้สมควรกันกันกบคําหลังที่สรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันเที่ยงอรูปังพระนิพพานนี้ได้ชื่อว่าอารูปธรรมโดยอัตถาว่าล่วงเสียซึ่งรูป จะได้มีรูปประพันธ์สันธานประดิษฐานเป็นที่ประทับอยู่ในทิศอันใดอันหนึ่งหามิได้นาวิชมานังพระนิพานนั้นมีได้มีรูปประพันธ์สันธานก็จริงอยู่แหละแต่ทว่ามีอยู่เดือยปารมัตดเหตุใดจึงเห็นว่ามีอยู่เดือยปารมัตดอสิทิละปรากมาสิเทนะยาณวิเศสนะอธิคามณโต อธิบายว่าพระอริยเจ้ามีส ม, มะปะทานวิริยะอันมิได้ย่อได้ย่อนได้สำเร็จญาณปรีชาอันวิเศษกล่าวคือมรรคญาณผลลญาณแล้วการใดก็ได้สำเร็จพระนิพพานโดยปัจจคสิทธิญาณในการนั้นแท้จริงพระอริยบุคคลทั้งหลายอันตรัสรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นท่านตรัสรู้แท้ตรัสรู้แจ้งประจัก เห็นแท้รู้แท้มีได้รู้ด้วยสามารถเชื่อผู้อื่นและบุคคลจำพวกอื่นนอกออกไปจากพระอริยบุคคลซึ่งจะรู้ว่าพระนิพพานนี้มีนั้นรู้ด้วยสามารถเชื่อฟังเอาตามพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าโปรดประธานพระธรรมเทศนาไว้รู้โดยอนุมานปัญญารู้เอาตามอธิบาย แห่งสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าจะได้เห็นแจ้งเห็นแท้รู้แท้เหมือนพระอริยบุคคลทั้งปวงหามิได้อาศัยเหตุที่พระอริยเจ้ารู้โดยปัจจคสิทธิยานบุคคลนอกออกไปจากพระอริยะเจ้าแล้วแล้วรู้โดยอนุมานสิทธิยานเห็นปานดังพันานามาชนี้จึงเห็นความชัดว่าพระนิพพานนั้น มียู่ด้วยปรามัดด้วยประการชนิ